สิ่งที่หลวงพ่อสอนนะถ้าไม่เคยฟังเลยนะฟังใหม่ๆจะงงนะที่จริงถ้าเคยฟังแล้วก็จะเข้าใจง่ายไม่ยากหรอกพูดตรงไปตรงมาเลยแล้วถ้าเข้าใจแล้วเนี้ยไปฟังธรรมะของครูบาอาจารย์อื่นหรือไปอ่านพระไตรปิฎกจะรู้เรื่องรู้เรื่องมากกว่าเก่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้มันเป็นหลักแท้ๆเลยเกี่ยวกับการปฏิบัติ นี่เราไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติถ้าเราเคยได้ยินเป็นชาวพุทธนะทำทานถือศีลนั่งสมาธิอะไรเงี้ยส่วนมากก็รู้จักแค่นั้นคนส่วนใหญ่แค่นี้ก็ไม่รู้จักการทำทานรักษาศีลทำสมาธิก็ไม่รู้จักคนจำนวนมากรู้จักศาสนาพุทธในแง่ของพิธีกรรมเท่านั้นวันเกิดทีก็ไปทำบุญทีหนึง่ง หรือไปงานศพเราคุ้นเคยใกล้ชิดกับพระมากที่สุดเวลาไปงานศพศาสนาพุทนมันไม่ได้ด้อยขนาดนั้นไม่ได้เป็นแค่พิธีกรรมวันเกิดก็ทำพิธีกรรมวันตายก็ทำพิธีกรรมเมื่อก่อนแต่งงานเนี่ยก็จะต้องปลูกเรือนหอแล้วงนิมนต์พรไปสวดเรียกสวดกล่อมหอทำบุญ วันจะแต่งงานเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวาต้องมาตักบาทเอาบาทพระมาวางเป็นแถวสองคนต้องตักบาทแล้วก็แย่งกันนะใครจะจับทัพพีด้านบนด้านล่างนี่ใครจับข้างบนแล้วจะมีอิทธิพลเยอะสุดท้ายมันก็กลัวเมียแทบทั้งนั้นแหละ <c oughs> จับจั บ, จบตรงไหนนะเดี๋ยวนี้แต่งงานเนี่ยไม่ให้พระยุ่งแล้วแต่งั้นที่โรงแรมนะ จะให้พระไปกล่อมโรงแรมก็ดูน่าเกลียดนะเราห่างคําว่าพูดไปเยอะแล้วเหลือแต่เปลือกเหลือแต่ชื่อมองเห็นวัดก็แค่เป็นอะไรแหลมแหลมอย่างหนึง่งที่โผล่โลขึ้นมาตามซอกตึกเราไม่รู้หรอว่าศาสนาพุทธจริงๆคืออะไรศา ส, สนาพุทธจริงๆไม่ใช่แค่ประเพณีพิธีกรรมนะ ในเพณีพิธีกรรมต่างๆเป็นเปลือกแต่ต้นไม้ไม่มีเปลือกก็ อ, อยู่ลาบากแต่เปลือกต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมให้ได้ซึ่งเป็นเปลือกสมัยโลกล้านปีก่อนอยู่ในโลกที่กวันพิดเยอะๆนะต้นไม้นี่ตาย็นรูปแบบอะไรแต่ออไรเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย แต่เนื้อแท้ของคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกขนะ์นั้นคือเรื่องอริยสัจเนี่ยจะไม่มีทางเปลี่ยนเลยอย่ว่าแต่พันปี 2,000 ปี 3,000 ปีเลยแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามที่ตรัสรูกนะ้ก็สอนอริยสัจอย่างเดียวกันนี้แหละเป็นธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงลงมือปฏิบัติทําให้สมควรแก่ทำเราจะได้ประโยชน์เราจะได้ความสุขอันมหาศาล คนในโลกแสวงหาแต่ความสุขแต่หาไม่เจอเพราะความสุขที่คนในโลกแสวงหาเนี่ยไม่เป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเราต้องอยู่กับคนคนนี้ถึงจะมีความสุขถ้าไม่ได้อยู่กับคนนี้ไม่มีความสุขอย่างเงี้ยลูกเราจะต้องเป็นอย่างนี้เราถึงจะสุขสามีเราต้องเป็นอย่างนี้เราถึงจะมีความสุขเมียเราต้องอย่างนี้ถึงจะดีมีความสุข ความสุขที่ยิงอาศัยสิ่งอื่นๆจะทั้งิงอาศัยร่างกายร่างกายเราต้องแข็งแรงถึงจะมีความสุขถ้าร่างกายเราเจ็บป่วยแก่เท่าไปไม่มีความสุขเราต้องมีเงินมากๆอิงอาศัยวัตถุอิงอาศัยเงินมีบ้านใหญ่ๆแล้วมีความสุขนี่ความสุขที่อิงอาศัยผู้อื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นๆนะจะทั้องอิงอาศัยร่างกายมีความสุขเพราะว่าร่างกายยังหนุ่มยังสาวอะไรความสุขอย่างนี้นะ ไม่ยั่งยืนหรอกความสุขที่อิงอาศัยสิ่งอื่นทำให้เราเสียอิสรภาพเราต้องง้อมันเราต้องง้อมันต้องอาศัยมันแล้ววันหนึ่งมันก็หักหลังเราอย่างเราต้องง้อร่างกายร่างกายเราสวยๆงามๆแข็งแรงมีความสุขพยายามปลนนิบัติมันนะพยายามดูแลอย่างดีเลยถึงวันนึงก็ทรยศเจ็บไข้ได้ป่วย คนอยู่ดีๆไปตรวจก็เป็นมะเร็งตกใจตายเลยก็มีนะไม่ทันป่วยเป็นมะเร็งตายแต่ตกใจตายก็มีหรือแก่ตีนกาขึ้นหมดความสุขแนละ้วใครตีนกาขึ้นแล้วบ้างในห้องนี้ยกสิใครขึ้นหนึ่งอันนึกออกไหมอันแรกเนี่ยโหดร้ายที่สุดเลยทำไมโหดร้ายที่สุดเลยยอมรับไม่ได้พออันที่ยี่สิบเนี่ยนะ เฉยๆแล้วไม่ทุกมากเพราะอะไรเพราะเริ่มยอมรับได้ยอมรับได้แล้วก็ถูกน้อยนะยอมรับไม่ได้ทุกเยอะร่างกายต้องแก่ยอมรับได้ไม่ทุกร่างกายต้องเจ็บยอมรับได้ไม่ทุกร่างกายต้องตายยอมรับได้ไม่ทุกเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่เรารักถ้ายอมรับได้ไม่ทุกยอมรับไม่ได้ทุกมากใครเคยอกหักรู้สึกไหมทุกมากถ้ารักมากก็ทุกมากใช่ไหม ถ้าแกล้งจีบเล่นๆ อ, อกหักก็ไม่มีอะไรเสียหน้านิดหน่อยเดี๋ยวไปหลอกคนอื่นต่อไม่เจ็บช้ำน้ำใจรักมากก็ทุกมากนะผูกพันมากก็ทุกมากมีบ้านก็เป็นห่วงบ้านเสียอิสรภาพเพราะบ้านบางคนถูกจําคุกนะเพราะว่าห่วงบ้านไปไหนไม่ได้เป็นห่วงบ้านห่วงมันนักหนานะสุดท้ายบ้านก็พัง ถ้าบ้านไม่พังเจ้าของบ้านก็ตายอย่างงี้นะอยู่กันไม่ได้ตลอดพระเจ้าเลยสอนนะมีนาก็ทุกพระนามีวัวก็ทุกเพระวัวถ้าวัวเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับมีรถยนต์ก็ทุกพระรถยนต์ใครเคยอาบน้ําให้พ่อให้แม่บ้างมีไหมห้องนี้ใครเคยอาบน้ําให้รถยนต์บ้างมีไหมเยอะกว่าเยอะเลยทําไมต้องอาบน้ําให้มัน่ รักมันนะต้องปลนิบัติมันเดี๋ยวมันเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตรวจนอนตรวจนี่ไปเรื่อยนะถึงเวลาเขาพาไปตรวจร่างกายประจำหกเดือนประจำหนึ่งปีพามันตรวจร่างกายด้วยนะเพราะรักมันคนโบราณเขาก็สอนนะบอกว่ามีลูกเหมือนห่วงผูกคอมีเมียนะมีสามีเนะี่ยเหมือนปอผูกศอกผูกมัดแขนไว้ มีสมบัติเหมือนปลอกรัดขามีโรคเหมือนห่วงผูกคอไปไหนไม่รอดหรอกจะกินอะไรก็กินไม่ลงนะติดคอกลัวลูกไม่ได้กินโรคกินหรื อ, อยังเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนนะทำอะไรก็ไม่สะดวกรู้สึกไหมใครแต่งงานแล้วรู้สึกไหมเสียอิสระภาพรู้สึกไหมคนในอยากออกคนนอกก็อยากเข้าทำอะไรไม่คล่องแคล่วไม่สบายเหมือนยังไม่ได้แต่ง มีสมบัติเหมือนปลอกติดขาหมายถึงว่าไปไหนไม่ได้ห่วงสมบัติก็ อ, อยู่กับที่งั้นไม่ว่ามีอะไรก็ทุกข์ร้อนนั้นเลยนี่แหละความสุขที่ยิงอาศัยผู้อื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นนะหวังว่าจะมีความสุขนะแต่สิ่งที่ได้มาคือภาระมันเป็นความสุขที่เจอด้วยภาระความสุขที่เจือด้วยความทุกข์ไม่เหมือนธรรมะนะธรรมะยิ่งเราภาวนาเราเห็นจริงนะเราปลดภาระออกไปเรื่อย สิ่งที่เป็นภาระมากที่สุดก็คือขันห้าของเรานี่เองย่อลงมาก็คือกายกับใจของเราเป็นภาระใครเคยรู้สึกว่าร่างกายเป็นภาระบ้างมีไห้ยกมือซิใครรู้สึกว่าจิตใจเป็นภาระบ้างมีไห ม, มน้อยกว่าเห็นร่างกายนะร่างกายเป็นภาระดูง่ายตื่นเช้าขึ้นมาต้องพามันไปอาบน้ำใช่ไหมล้างหน้ากลางวันสวยๆนะตอนตื่นนอนหน้าเหมือนข้าวมันไก่ <laughs> น่านมันจอะนะดูไม่ได้ไม่สวยไม่งามโสโปรกพามันไปอาบน้ําพามันไปขับถ่ายพามันไปแต่งตัวดูแลตั้งแต่หัวถึงเท้าตันะ้งแต่หัวถึงเท้ามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยนึกออกไหมบนหัวมีอะไรมั่งมีหวีมีเจลมียาสระผมยาย้อมผมยากลอกผมนะ มียาทำให้ผมตรงยาทำให้ผมหยิกเออนะไม่พอใจผมตรงทำให้หยิกผมหยิกทำให้ตรง <c oughs> บาปอนะไ <c oughs> ภาระเยอะเลยนะแค่หัวอันเดียวนะแค่ผมอันเดียวภาระเยอะนะกว่าจะถึงเท้าภาระเยอะเลยเนะท้าหนาไปบางคนเท้าบางหน้าหนานะ <c oughs> บางคนหน้าหนาท้าบางมีหลายแบบนะดูแลมากมายนะภาระทั้งนั้นเลยถ้าเรามาเห็นความจริงนะเราจะรู้เลยว่าขันห้าไม่ใช่ของน่ารักหรอกขันห้าเป็นภาระมีบทสวดมนต์อันหนึ่งนะั้นบอกภาระเฮเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระจิตใจเราก็เป็นภาระรู้สึกไหมมันชอบมีความทุกข์ เราอยากมีความสุขัหมเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อให้ใจเรามีความสุขพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อให้ใจไม่ทุกข์บางคนก็ไปดูหนังฟังเพลงไปกินของอร่อยหวังจะสบายใจไปทัศนจรหวังว่าจะสบายใจไปคุยกับคนหวังว่าจะสบายใจต้องการอะไรต้องการสบายใจให้จิตใจมีความสุข ที่ต้องไปอาศัยคนอื่นนะไปคุยกับคนนี้แล้วมีความสุขได้อยู่กับคนนี้แล้วมีความสุขอย่างนี้เสียอิสราภาพไปได้ยากนะที่เราจะเห็นถึงตัวจิตตัวกายเนี่ยเราเห็นว่ามีภาระง่ายแต่ตัวจิตเนี่ยเป็นของละเอียดเราไม่ค่อยเห็นหรอกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรเพื่อให้จิตใจมีความสุขบ้างถ้าลองไปสังเกตดูนะว่า ใจของเราหิวตลอดเวลานะร่างกายนะถ้าเป็นคารวะร่างกายหิววันหนึ่งสามสี่ห้าหเจ็ดครั้งเป็นปลาก็หิววันละครั้งสองครั้งนะไม่หิวนอกเวลาก็ไม่หิวแล้วร่างกายมีภาระกินข้าว3มครั้งอะไรเงี้ยนะอาบน้ำสองครั้งมีภาระนะหรือร่างกายต้องการอาหารไม่บ่อยเห็น ไ, ไหมกินแล้วก็เว้นไปหลายชั่วโมง แต่จิตใจนี่นะหิวตลอดเวลาเลยจิตรเราจะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาจิตเนี่ยหิวบ่อยกว่าร่างกายกร่างกายหิวเราก็ต้องหาอะไรมาตอบสนองเป็นภาระเลี้ยงดูมันจิตใจหิวเราก็ต้องหาอะไรมาตอบสนองนะเป็นภาระาที่ยิ่งกว่ากันเยอะเลยเพราะมันหิวตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูรูป mm. เดี๋ยวก็อยากได้ยินเสียง <ues. S 1> เดี๋ยวก็อยากได้กลิ่น mm. เดี๋ยวก็อยากได้รส เดี๋ยวก็อยากมีสิ่งกระทบสัมผัสทางกายที่ดีอยากให้สิ่งไม่ดีหายไปเดี๋ยวก็อยากสนุกสนานทางใจเดี๋ยวก็อยากสงบอยู่บ้านก็อยากมาวัดมาถึงวัดก็อยากกลับบ้านเออเอาไม่ได้สิงั้นมันหิวตลอดเวลาเลยนะงั้นร่างกายเนี่ยหิวทำหาข้าวให้กินเป็นภาระนะแต่ยังไม่เท่าภาระทางใจพาระทางใจนี่สายสาหัสเลย บางคนมีอุดมการณ์บางยุคบางสมัยนะคนมีอุดมการณ์ว่าชนเผ่า พ, พันธุ์นี่ต้องฆ่ามันให้หมดถึงจะดีอย่างฮิตเลอร์อยากฆ่ายิวให้หมดถึงจะดีนี่เป็นเรื่องคิดเอาเองนะแล้วทําอะไรต่ออะไรเหน็ดเหนืน่อยแส น, น, นสาหัสเลยเพื่อจะทําสิ่งนี้อุดมการณ์ต่างกันยกพวกตีกันนี่เป็นเรื่องทางใจตอบสนองทางใจนะงั้นทางใจนี่นะเราตอบสนองนี่หนักหนาสาหัส ยิ่งไปหาข้าวให้มันกินอีกบางครั้งต้องทำบาปทำกรรมอยากจะชอบเมียเขาต้องวางแผนฆ่าผัวมันอย่างี้นะอย่าง น, นะางนี้เพื่ออะไรได้เข้ามาแล้วจะได้มีความสุขังนั้นใจของเราเนี่ยนะหิวบ่อยด้วยแล้วหิวรุนแรงตอบสนองเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่พอท่านถึงบอกว่านาทีตันหาสมานาทีพ่วงน้ำเสมอด้วยตันหาไม่มี มาหาสมุทรยังมีทางเต็มบางทีน้ําล้นออกมาแต่ใจของเราซึ่งมีความหิวเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เคยฝึกฝนตัวเองเราก็จะต้องเป็นขี้ข่ามันไปเรื่อยเป็นขี้ข่าของร่างกายเป็นขี้ข่าทางจิตใจตอบสนองร่างกายก็เหนื่อยแล้วตอบสนองทางจิตใจยิ่งเหนื่อยมากกว่าตอบสนองทางกายเช่นอะไรร่างกายต้องการกินอาหาร แต่จิตใจต้องการกินพิซซ่ากินโน้นกิน น, น, น, นี้ไม่ใช่ร่างกายต้องการนะร่างกายต้องการอาหารแต่จิตใจต้องการอะไรเยอะแยะเลยต้องการอาหารชนิดนั้นต้องการอย่างนี้เนี่ยอยากไปเข้าแถวนะเข้าแถวยาวมากเลยนะเพื่อจะกินขนมนะโอเปน็นเอามากว่ะ <laughs> ร่างกายนะต้องการนิดเดียวนะร่างกายต้องการอาหาร แต่เราต้องการจิตใจนะต้องการรสชาติอย่างที่อย่างนี้บางทีกินเพื่อหน้านะซื้อไก่ข้างถนนกินถูกจะตายไปต้องไปกินไก่ร้านที่มันแพงๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ร่างกายต้องการใช่ร่างกายต้องการเสื้อผ้านิดเดียวแต่จิตใจของเราต้องการเสื้อผ้าเยอะมากเลยต้องแต่และ ว, วันนะไม่ควรจะซ้ากันใช่ห แต่งเครื่องแบบไปเลยก็หมดเรื่องถ้าไม่มีเครื่องแบบแต่ละวันจะต้องไม่ซ้ำกันซ้ำมากไม่ได้หน้ามันอายความจริงไม่ใช่หน้าจิตหน้าไม่เคยอายหรอกหน้าไม่รู้สึกอะไรไม่เป็นความต้องการส่วนเกินทั้งหลายนี่นะมาจากจิตทั้งนั้นเลยมีโทรศัพท์นะโทรเข้าโทรออกได้ก็โอเคแล้วนะนี่โทรศัพท์เราต้องทำอย่างอื่นได้ด้วยต้องทันสมัยด้วยต้องตามรุ่นให้ทัน หยิบโทรศัพท์ยังเป็นปุ่มปุ่มมาไอาเขาเวลาจะโทรศัพท์ปุ่มต้องซ่อนๆไ อ, อเขานะเนี่ยหน้านะนี่เรื่องทางใจทั้งนั้นเลยร่างกายต้องการอะไรไม่มากหรอกแต่ใจนี่ต้องการมหาศาลเลยเราเหนื่อยยากทุกวันนี้ก็เพราะความต้องการของใจที่ล้นเกินจากความจําเป็นในหลวงพูดคําว่าพอเพียงใช่ไหมแค่ไหนพอคนเราต้องการอะไรนักหนา ในพระไตรปิฎกนะพูดถึงพระจกักรพรรดิองหนึ่งชื่อเท้ามหาสุทัศน์ก็เป็นตอนหลังก็มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรานิ่งท่านเล่าว่าสมัยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินะมีปราสาททั้งพันหลังแต่ท่านอยู่ได้วันละหลังอยู่ได้ครั้งละหลังเดียวของเราใครมีบ้านหลายหลังบ้างยกซสียบ้านจริงๆนะไม่ใช่มีหลายคนนะมีบ้านหลายหลังอยู่ได้ทุกวันทีเดียว ทุกหลังไหมอยู่ไม่ได้เห็นไหมเรามีเสื้อผ้าเยอะแยะในท่ามหาสุทัศน์นะมีอาหารวันหนึ่งเป็นพันพันถาดนะท่านบอกท่านเสเวยทั้งถาดเดียว ม, มีพระมเหสี8 4ดมสี่พันคนเราแค่นับก็นับไม่ถูกแล้วคงจำชื่อไม่ได้ต้องติดป้ายติดรหัสน ะ, ะวันนี้เบอร์ 8, 5, ดห้าเจ็ดหอะไรเงี้ยเราเรียกเงี้ยเรียกงี้ยเรียกไม่ถูกนะ ท่านบอกว่าท่านก็อยู่กับผู้หญิงได้ครั้งละคนเดียวส่วนที่ล้นเกินเนี่ยเป็นส่วนความต้องการทางใจนะตั้งใจต้องการศักดิ์ศีต้องการหน้าตาต้องการอะไรต่ออะไรงันะ้นถ้าเราไม่รู้จักจัดการกับจิตใจของเราให้ดีนะเราจะเหนื่อยเป็นขี้ค่าของความอยากตลอดเวลานะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเราให้ว่าอยู่ให้พออยู่ได้นะไม่ได้สอนให้ลาบากไม่ได้สอนให้หดอยาก แต่สอนให้จัดการกับความต้องการส่วนเกินนีย้ยิ่งจัดการได้มากนะยิ่งมีความสุขมากพระอรหันต์เนี่ยจัดการกับความต้องการส่วนเกินได้เรียบร้อยเลยนะหมดจดเลยนะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ทางใจเลยเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายที่ดูแลไปนะถึงเวลาก็ไปฉันข้าวถึงเวลาก็ไปอาบน้ําถึงเวลาไปขับถ่ายเดินไปเดินมานะแต่ความอยากทางใจซึ้งเป็นส่วนเกินนี้ไม่มีงั้นท่านมีความสุขมากเลย ดีกรีระดับของความสุขทางจิตใจเนี่ยแปลผันกลับชงข้ามนะะความอยากยิ่งอยากมากยิ่งทุกมากยิ่งหิวบ่อยนะยิ่งทุกบ่อยทำไงมันจะลดความอยากตัวนี้ลงได้นะจนถึงขนาดทำลายความอยากได้ถ้าเรามาเรียนรู้ความจริงของขันห้าได้นะเราจะทำลายความอยากได้ทำลายความอยากด้วยวิธีอื่นๆมีหลายวิธีแต่ไม่สาเร็จจริงหรอก ทำลายความอยากที่เบสิกที่สุดเลยพื้นที่สุดเลยคือตอบสนองความอยากอยากดูหนังไปดูหนังดูหนังแล้วหายอยากไหมหายแต่ว่ามันจะอยากอย่างอื่นต่อไปอีกไปฟังเพลงอยากฟังเพลงไปฟังเพลงแล้วหายอยากแล้วแต่เดี๋ยวอยากอีกอยากอย่างอื่นต่อไปอีกนการตอบสนองความอยากนะช่วยแก้ปัญหาความอยากได้แต่ว่าช่วยได้ชั่วคราวเพราะจิตจะหิวตลอดเวลาทาไงก็ไม่หายอยากไม่หมดอยาก อีกวิธีหนึ่งที่เขาฝึกกันมานะก็คือฝึกทรมานตัวเองอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะแกล้งมันอยากสุกอยากสบายเอาให้มันไม่สุกไม่สบายอยากแต่งตัวสวยเลอไม่นุ่งผ้ามันเลยทำสารพัดจะทรมานมันนะเสร็จแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงความอยากมันก็แอบโผล่เข้ามาเรื่อยๆตลอดเวลาแก้ไม่ได้จริงไปฝืนมันนะอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนเลยนยไม่ได้ช่วยอะไร ให้จิตใจหมดความอยากไปได้เลยพระพุทธเจ้าเนี่ยมาตรัสรู้ธรรมะที่แสนจะประเสริฐนะชื่ออริยสัจอริยสัจเนี่ยอันแรกคือเรื่องทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะคือกายกใจของเรานี่แหละรูปนามกายใจท่านบอกทุกข์ให้รู้ให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่จะละความอยากได้เมื่อ น, นั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่จะละความอยากได้เมื่อ น, นั้นนี่คือสิ่งที่ท่านคนพบ รู้ทุกข์เมื่อไรก็ละสมุทัยเมื่อนั้นถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเมื่อนั้นเราจะหมดความอยากที่จะให้กายนี้เป็นสุขหมดความอยากที่จะให้กายนี้พ้นทุกข์ถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยความอยากให้จิตเป็นสุขก็จะไม่เกิดขึ้น มันจะไปอยากให้โง่ทําไมก็มันเป็นตัวทุกข์จะไปอยากให้มันเป็นตัวสุขมันไร้สาระความอยากให้จิตพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จะให้มันพ้นจากทุกข์ก็ไม่ได้นะเนี่ยถ้าเม่ไรเราเห็นความจริงนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนี่เรียกว่ารู้ทุกข์ความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้น สารพัดความอยากที่เกิดขึ้นมานะเยอะแยะมากมายไก่กองอยากสารพัดเรื่องนั้นนะถ้ายอ่อลงมาแล้วสังเกตให้ดีนะมันจะยอ่อลงมาที่ว่าอยากให้กายให้ใจของเราเป็นสุขอยากให้กายให้ใจของเราพ้นทุกยอ่อลงมาแล้วเหลือเท่านี้เองทําไมอยากจะอยู่กับคนนี้ก็เพราะคิดว่าอยู่กับคนนี้แล้วจะมีความสุขทำไมอยากจะขี่รถสวยๆอย่างนี้ใหญ่ๆอย่างนี้คิดว่าได้นั่งรถอย่างนี้ร่างกายจะมีความสุขความจริงรถคันใหญ่เนี่ย ไม่ได้เอาก้นนั่งหรอกแต่เอาหน้านั่งนะมันเป็นภาระมากนะฉะนั้นมนถ้าเมื่อไหร่นะเราเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เมื่อนั้นความอยากใดๆก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะมันรู้จริงซะแล้วว่าอยากให้งงสิอยากให้กายเป็นสุขเหร อ, เ ป, เ, หอเป็นได้ที่ไหนอยากให้ใจเป็นสุขเหรอเป็นได้ที่ไหนมันเป็นตัวทุกข์ อยากให้กายพ้นทุกข์เหรอมันพ้นได้ยังไงมันเป็นตัวทุกข์อยากให้ใจพ้นทุกข์เหรอพ้นยังไงมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นได้ขนาดนี้นะความอยากจะไม่มีเกิดขึ้นอีกเลยงั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่นะจะละสมุไทยคือละความอยากได้เด็ดขาดเมื่อนั้นถ้าจิตปราศจากความอยากละสมุไทยเมื่อไหร่นิโรธคือพระนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานิพพานไม่ได้เกิดขึ้นนะ นิพพานเป็นของที่มีอยู่แล้วนิพพานไม่เคยหายไปไหนแต่จิตของเราเต็มไปด้วยความอยากเราเลยไม่เห็นพระนิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานคือสภาวะที่สิ้นปัญหาสิ้นความอยากเมื่อไร่ที่ใจเราหมดความอยากนะเราจะสัมผัสความสงบสุขสันติสุขที่แท้จริงภายในของเราเองงั้นรู้ทุกเมื่อไหร่ก็ล่าสมุทัยเมื่อนั้นคือล่าปัญหาล่าความอยากเมื่อนั้น ละสมูทัยเมื่อไรนะจะแจ้งพระนิพพานเมื่อ น, นั้นจิตที่ปราศจากตัณหาจิตดวงนั้นจะมีความสุขที่สุดจะสัมผัสพระนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาในขณะที่รู้ทุกลาสมูทัยแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานนั้นขนาดนั้นแหะคือขณะแห่งอริยมรรคงั้นทุกสมูทยัยนิโรธมรรคเนี่ยเวลาแจ้งนะจะแจ้งในขณะจิตเดียวกันเลยนะจิตทั้ง4ของอริยสัตว์เนี่ยทำเสร็จในขณะจิตเดียวไม่ใช่ 2- อสามขณะจิตนะ ขณะเดียวเท่านั้นเองนั้นหน้าที่ของพวกเรานะถ้าเราอยากได้ของดีของวิเศษอยากได้ความเป็นชาวพุทธแท้ๆไม่ใช่พุทธแต่เปลือกแต่ชื่อก็คือต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากไม่ใช่มาพยายามดูกายดูใจให้เห็นว่าเป็นทุกข์นะแต่ต้องดูความจริงว่าจริงๆกายกับใจมันเป็นยังไงแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆมันเป็นตัวทุกข์ไม่ต้องไปแกล้งดูให้เป็นทุกข์จริงๆมันทุกข์อยู่แล้วไม่ต้องแกล้ง ดูของจริงนะดูตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นว่ามันคือตัวทุกข์ถ้าเห็นทุกข์เมื่อไหร่นะก็เห็นธรรมเมื่อ น, นั้นแหลนะคือเห็นพนันธิพาณเมื่อ น, นั้นแหลนะเห็นได้เพราะว่าสิ้นอยากเมื่อนั้นเลยงั้นเวลาเราสังเกต น, นะใจของเรามีความอยากมากเท่าไหร่ความทุกข์ทางใจก็มากเท่านั้นใจที่สิ้นความอยากเนี่ยก็สิ้นทุกตรงนั้นแหลนะงั้นหน้าที่ของเราต่อไปนี้เรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มาก วิธีจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะต้องทำสามอย่าง 1. รักษาศีลห้าไว้ก่อนศีลห้าพอแล้วนะศีลที่อยู่ในตัวอริยมรรคเราถ้าสังเกตให้ดยียังมีสัมมาวาจาใช่คือศีลข้อสี 4, สัมมากรรมมันตะกศีลข้อ 1. ขนะ้อ 2. ข้อสศีลข้อที่5ยังไม่มีเลยข้อที่5เป็นตัวช่วยนะไปกินเหล้าเมายาเลเนี่ยสติเสียสติเสียปุ๊บทาผิดศีลข้อ1 2 3าสีได้ง่าย นะงั้นตัวศีลจริงๆริงอ่ะหนึ่เท่านั้นเองนะตัวที่5เป็นตัวช่วยงั้นถ้าไปดูองค์มรคนะมรมีองค์8จะมีส่วนที่เป็นศีลคือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะนะแล้วก็ต่อไปสัมมาอาชีวะหนะ่อยเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องนะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะวิธีดูว่าเลี้ยงชีวิตถูกต้องไหมก็คือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยนะถือจะถูกต้องถ้าเบียดเบียนตัวเองไม่ถูกต้องเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่ถูกต้อง เงื่นีนจริง ๆ, ๆข้อหนสอ 1, ส 3, 4นี่แหล ะ, ะสมักวาจาข้อสีเ็นมสมักกรรมันตะการงานชอบก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมเท่านี้แหล ะ, ะข้อ5เป็นตัวช่วยถ้ากิตเล่าเมายาขาสติก็ผิดศีหนึ่งสสสได้ง่ายงั้นตั้งใจรักษาศีห้านะไม่ต้องน้อยใจว่ามีสี น, น้อยกว่าพระพระมีตั้ง227นะ ศีลนะจาเป็นยังไงศีลจะทําให้จิตใจของเราสงบสุขง่ายคนผิดศีลเนี่ยใจจะฟุ้งซ่านยังคิดจะฆ่าเขาคิดจะทำร้ายเขานะใจฟุ้งซ่านใช่ไหมคิดให้อภัยเขาคิดเมตตาเขาใจสงบสุขคิดจะขโมยเขาเนี่ยใจฟุ้งซ่านนะไม่ขโมยใครนะถ้ามีเหลือยังให้ได้อีกเนี่ยใจมีความสุขนะระหว่างคนที่อยากได้ของคนอื่นกับคนที่อยากสงเคราะห์คนอื่นคนที่ให้คนอื่นได้เนี่ยมีความสุขมากกว่านะ คนที่ไปเป็นชั่วเขานะั่นกัคนที่สันโดษในคู่ของตัวเองนะมันก็มีความสุขไม่เหมือนกันนะไปวุ่นวายกับคนอื่นใจฟุ้งซ่านคนโกหกหลอกลวงจิตใจไม่สงบคนพูดความจริงมีสัจจะจิตใจสงบง่ายกว่าไม่ต้องคิดมากนะงั้นถือศีล น, นะถือไปแล้วใจสบายใจสงบศีลนั่นนะเลยถือไปเพื่อความสุขความสบายนะไม่ใช่ถือให้ลำบากถ้าถือศีลลำบากเมื่อไหรนะ่นั้นเป็นศีล น, นอกคราะแล้วเราถือไม่เป็นละ ถ้าเรารู้คุณค่าของศีลแล้วการถือศีลจะไม่ยากเลยศีล น, นั่งถือแล้วจิตใจสงบสุขพอถือศีลดีแล้วนะงานต่อไปก็คือมาฝึกสมาธิอย่าไปตกใจเพาว่าสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันทันทีที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตฟุ้งซ่านไปจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะ แต่ทีแรกมันจะตั้งเป็นแวบๆนะเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวไหลแล้วก็รู้ไหลแล้วรู้นะต่อไปมันจะทรงตัวเด่นดวงขึ้นมาได้ส่วนการทําสมาธิเต็มรูปแบบนะทำได้ก็ทำทำไปเพื่อพักผ่อนให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวได้พักผ่อนแช่มชื่นหัวใจนะสรุปนะขั้นแรกถือสีหนไว้ก่อนขั้นที่สองฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวใจไหลไปลืมตัวเองนะรู้สึกใจไหลไปแล้วรู้สึกรู้สึกบ่อยๆ ไม่ให้ลืมกายไม่ให้ลืมใจคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆพูดภาษาไทยง่ายๆคือให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะังจากนั้นพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเราก็ดูความจริงของกายของใจไปถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ไม่สามารถดูความจริงของกายของใจได้รู้จักใจลอยไหมรู้จักเหม่อไหมเวลาเหม่อเรามีร่างกายแต่เหมือนร่างกายหายไปเพราะเราลืมมันไปแล้ว เวลาเมอนะจิตใจของเราก็มีความสุขความทุกข์ก็มีกุศลอกุศลก็มีอยู่แต่เราไม่รู้ไม่เห็นเพราะเราเผลอเราลืมตัวเองเราลืมกายลืมใจตัวเองงั้นถ้าลืมกายลืมใจเมื่อไหร่นะเรามีกายเราก็ลืมเรามีใจเราก็ลืมเราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้งั้นที่ว่าสมาธิทําให้เกิดปัญญาก็คือต้องมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้นี่มันก็หลักธรรมดาแค่นี้เองงั้นเราต้องมีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนะ วิธีก็ต้อง้อบหัดพุทโธไปหัดหายใจไปอะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปพุทโธพุทโธมันหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธมันไปเพ่งจิตนิ่งๆอยู่แล้วรู้ทันรู้ลมหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยบจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตไปอยู่ที่ท้องก็รู้เนี่ย หัดรู้ทันจิตที่เคลื่อนนี้แหละแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นซ้อมทุกวันนะพวกที่ทําเป็นแล้วก็ต้องซ้อมไม่ซ้อมมันเสื่อมได้สมาธิเป็นของเสื่อมพยายามซ้อมทุกวันในรูปแบบ10นาที15นาทีอะไรซ้อมไปนะและวันหนึ่งถ้าซ้อมได้หลายรอบยิ่งดีนะรอบหนึ่งไม่ต้องยาวหรอกสักหนาที10นาทีตื่นนอนมาก่อนจะลุกจากที่นอนนะก็ซ้อมรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะตอนจะอาบน้ำตอนี่กินข้าวก็คอยรู้ทันจิตหนีไปคิดนะ ตอนนั่งรถไปทํางานถ้าไม่ต้องขับเองนะก็คอยรู้ทันจิตหนีไปคิดนะตอนจะทํางานาต้องจดจกก่องานต้องคิดแล้วคราวนี้ดูไม่ได้ละนะตอนเวลาอื่นๆคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดดูไปเรื่อยวันละหลายหลนยิ่งบ่อยยิ่งดีนะทําในรูปแบบหลวงพ่อสมัยเป็นโยมนะตื่นนอนหลวงพ่อหายใจแล้วก็คอยรู้ทันตอนกินข้าวกลางวันนะกินข้าวเสร็จเดินนะ เดินอยู่ทํางานอยู่ในธรรมเนียมกินข้าวเสร็จแล้วเดินไปวัดเบญจามั่งวัดสมนัตบ้างเดินคนก็นึกว่าเดินเอ็กซ์ไซส์ความจริงเดินภาวนานะเราไม่ได้เดินจงกรมกลับไปกลับมาให้คนเขาเห็นเดี๋ยวเขารู้สึกว่าบ้าที่จริงเดินแล้วก็คอยรู้ทันตัวเองนะคือฝึกในรูปแบบนั่นแหละกลับมาบ้านก็ฝึกนะก่อนนอนก็ฝึกอนะไรองี้ฝึกอย่างนี้แหละแล้วเวลาที่เหลือเราก็สติเราจะเร็วนะจิตเราตั้งมั่นแล้วใจเคลื่อนปุ๊บรู้เคลื่อนปุ๊บรู้เลย ใจอยู่กันเนื้อกักบตัวใจอยู่กันเนื้อกักบตัวแล้วก็วดูกายเขาทํางานดูใจเขาทางานเห็นกายมันไม่ใช่เราเห็นความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราเห็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราเห็นจิตก็ไม่ใช่เราทํางานได้เองคิดได้เองมันปรุงดีได้เองปรุงชั่วได้เองปรุงสุขปรุงทุกข์ของมันได้เองเนะนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูมันไปเรื่อยๆถ้าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปียังไม่ได้ก็ดูมต่อไปอีกสิบหกปี สิปีไม่ได้ดูมันทั้งชาติชาตินี้ดูไม่จบนะีดูชาติหน้าต่อฝึกไปเรื่อยมันต้องถึงเข้า้นได้แหละถ้าไม่ฝึกนะปล่อยใจสเปสป่าฟุ้งไปเรื่อยชาติหน้านก็ฟุ้งอีกบางคนบอกว่าจะรอพบพระสีอรุรยาเมตรตรนะเจอพระเมตรตรแล้วจะภาวนาง่ายเห็นถูวมั้ยจะพังง่า ย, ยางไงขี้เกียจตั้งแต่ชาตินี้นะไปเจอพระสีอานะั้นยิ่งขี้เกียจหนักกว่านี้อีกเพราะสะสมแต่ความขี้เกียจไป นันต้องสู้ตั้งแต่ชาตินี้นะชาตินี้ไม่ได้ไปเจอพัศยานะหมูมากเลยท่านเทศสองสามคำเราก็ปิ๊งล้วเพราะเราเคยภาวนาแล้วถ้าเราไม่เคยมันก็ยากเลยเหมือนที่ฟังหลวงพ่อเทศนะถ้าเคยฟังแล้วไม่ยากหรอกไม่เคยฟังก็ยากสิการภาวนาเหมือนกันนะถ้าเคยปฏิบัติเคยดูกายดูใจแล้วมันก็ไม่ยากหรอกถ้าไม่เคยมันก็ยากหน่อยนะฉะนั้นให้มันยากซะตั้งแต่วันนี้นะวันข้างหน้ามันจะได้ง่ายครูบาอาจารย์บางองค์นะใช้เวลานิดเดียวในการภาวนานะ ยังมีองค์หนึ่งชื่อหลวงปู่บุตรดาใครเคยได้ยินไหมท่านท่านบวชได้ 3, สพันษานะท่านภาวนาเสร็จหมดแล้วไม่มีอะไรต้องภาวนาแล้วใช้เวลานิดเดียวนะบางองค์ก็นานหน่อยส่วนใหญ่ที่เคยได้ยินมันก็ประมาณสิบหปีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พวกเราคงไม่ถึงหรอกคงไม่ถึงหมายถึงคงไม่ทนภาวนาถึงสิหปี <laughs> หรอกภาวนาแป๊บแปบเดี๋ยวขี้เกียจอีกแล้วขยันหน่อยนะ เพื่อชีวิตของตัวเองที่มันจะดีขึ้นถ้าปฏิบัติแล้วจะมีความสุขนะถ้าไม่ปฏิบัติก็จะจมใน ค, ความทุกข์เรื่อยๆไปแหละไม่มีใครช่วยเราได้หรอกเพราะพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ท่านเป็นผู้บอกทางนะหลวงพ่อก็จําทางที่ท่านบอกมาบอกต่อแลนะ้พวกเรามีหน้าที่ต้องเดินเอาเองเอาใครจะส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดพวกอยู่วัดก่อนมีแรงค่ะหลวงพ่อแต่ว่ายังแทรกแซงอีกบ้างเออนะ จิตมัวนิดหน่อยไหมมีไหมหรือสว่างแจ่มใสมัวค่ะออมีมัวหน่อยหน่อยให้รู้ทันนะมีความไม่แช่มชื่นเล็กน้อยไหมหรือว่าแช่มชื่นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามีไม่แช่มชื่นเล็กน้อยะให้รู้ทันแม้พารู้ทันมันก็หายเห็นไหมไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่เห็นนะกิเลสพอละเอียดเราดูไม่ออกนะมันซ่อนอยู่แฝงอยู่กับเราตลอดเลยไม่เห็นถ้ารู้ทันไปเรื่อยมันทนอยู่ไม่ได้ครับนะ ดูกายค่ะอืมดูกายก็ดีนะเนี่ยเห็นไ้ยร่างกายพยักหน้าเดินจงกรมค่ะเดินจงกรมก็ได้นะดูกายเนี่ยพยายามดูให้ต่อเนื่องอย่างเวลาเราไปเดินจงกรมเราเห็นร่างกายเดินใจเราเป็นคนดูเหมือนเราเห็นคนอื่นเดินต้องรู้สึกอย่างนั้นนะเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่เราไม่ได้เดินเเราพยักหน้าเราเห็นร่างกายพยักหน้าเหมือนเราเห็นคนอื่นพยักหน้าดูร่างกายเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆนะ อ้าวต่อไปหลัวฟงซ่านหือดังฟงซ่านนะคะฟงซ่านฟงซ่านเรารู้ว่าฟงซ่านใช้ได้อยู่จิตใจมีความสุขหรือมีความทุกข์ตอนนี้แน่นไปหมดเลยค่ะแน่นแน่นตื่นันตเต้นตื่นเต้นนะตื่นเต้นให้รู้ว่าตื่นเต้นสั่งให้หายสิจงหายตื่นเต้นจงหายจงหายโอมจงหายไม่หายหรอกสั่งไม่ได้ ดูไปนะพอส่งไม้ไปจิตก็จะเปลี่ยนใช่พอส่งไม้ปุ๊บจิตก็เปลี่ยนแล้วต่อไปเราก็ค่อยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตเรื่อยๆนะจิตเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็ดีเดียดเด๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โศเดี๋ยวก็ทุกดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันก็แจ้งขึ้นมาเอง <monster> ว่าทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกอย่างเกิดแล้วก็เปลี่ยนไปนะอ้าต่อไปคือคือบางครั้งรู้สึกว่าเวลาเดินแล้ว จิตเป็นเสวยอารมณ์อันเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนกันนะบางครั้งมันก็ทุกข์บางครั้งก็รู้สึกเฉยเฉยเฉเฉยเนี่ยเฉยเฉยแบบขมไวไหมหรือมันเฉยเฉยอุเบกขามีความสุขมีความสบายนิ่งๆอะค่ะมันนิ่งๆแบบใจแข็งไหมใจแข็งแข็งแน่นแน่นไหมถ้านิ่งแล้วเพราใจแน่นๆนะแสดงว่าเพ่งไวถ้าถ้ามันเป็นกลางจริงนะใจสบายเบาๆน นุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวสบายไม่ไปข่มมันไปสังเกตจิตต่อไปแล้วบางครั้งที่รู้สึกว่าความคิดมันเบาๆหรือว่าเราจิตไม่ตั้งมั่นเลยดูว่ามันเบาอะค่ะไม่เป็นไรอย่าสงสัยเยอะสงสัยให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เนี่ยดูอย่างนี้เลยนะความสงสัยเกิดขึ้นก็เหมือนกับสภาวะอย่างอื่นเกิดขึ้นเหมือนโลกรธหลงเกิดน่ะมันเกิดได้มันก็หายได้เราแค่รู้ อย่างความสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไปหาคำตอบนะเราถูกกิเลสหลอกลนะหลอกให้เราฟุ้งไปหาคำตอบแต่ถ้าความสงสัยเกิดขึ้นเราแค่เห็นว่าสภาวะอย่างหนึ่งคือความสงสัยเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเรากำไรละเราเห็นความเกินดับดูอย่างนี้เรื่อยๆนะคิดเยอะไปะะเมื่อวันพุธก็เดินในศาลากับนั่งสมาธิมัน ช่วงประมาณสี่โมงก็ฟุ้งฟุ้งมากก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยออกไปเดินข้างนอกอืก็ฟุ้งอีกค่ะอืก็เลยก็เอาแล้วเห็นเห็นภาท่านกวาดลานก็เลยไปกวาดว่าจะไปกวาดทางเดินสาราไอทางเดินเตียค่ะช่วงจังหวะหมุนตัวค่ะมันเห็นเห็นจิตจิตที่มันปกติหนูจะเห็นกายกระใจมันแยกกันทํางานอยู่แล้วเห็นเห็นคิดเห็นทํางานไปแต่ครั้นี้เห็นจิตมันอยู่อยู่ข้างนอกแล้วก็มองมาที่กายที่มันเป็นเหมือนผุ่นอื แล้วมันก็แวบเดียวเองมันบอกว่าคือมันหนูไม่รู้ว่ามันบอกหรือมันมันเป็นความรู้ขึ้นมาว่อเนี่ยอกายเนี่ยมันเกิดจากการสังสมวิบากอตของจิตเองแล้วก็กายเนี่ยมันเหมือนเครื่องมืออ่ะเหมือนแบบของใช้ของจิตอืมแล้วสิ่งที่แบบว่าสลดก็คืออืมันมันขาดแบบคือมันไม่มีความผูกพันปกติหนูจะเห็นกายใจทํางานแล้วมันจะโคตรขาดไม่เป็นไรเป็นเห็นอย่างนั้นเลยด้วยค่ะ มันเห็นมันทํางานแล้วก็มีความยังยังแบบเกี่ยวเนื่องกันยังมีความรู้สึกว่าแต่วันนั้นมันเห็นแบบมันขาดแบบมันเหมือนมันมันไม่แยแสมันเหมือนแค่เครื่องมืออะไรทําลองเออนะมันเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องนะแต่มันเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นแหละแค่นเดียวมันก็กลับมารักอย่างเดิมก็วันพฤหัสก็เจออีกสองครั้งแต่ว่าเห็นภายในอืดีนะฝึกอย่างนั้นแหละหลวงขอกราบขอบคุณหลวงพ่อค่ะขอบคุณพระพุทธเจ้านะ กราบพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเป็นแค่เครื่องมือเอ้าใครจะส่งกันบ้านตามความจําเป็นมีไหมกราบน้มศการหลงพ่อค่ะคือ ท, ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยค่ะถูกแล้วถูกสิถ้าทำอย่างนี้ไปนะคะหลวงพ่ อ, อแต่ต้องซ้อมให้จิตตั้งมั่นนะนนจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ตัวนี้ฝึกทุกวันนะ แล้วมันจะไปได้ดีรูปแบบมากกว่าคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปแล้วสมาธิมันจะเกิดทําในรูปแบบก็คอยรู้ทันจิตที่หนีไปเช่นสวดมนต์นะนโมตัสสะนี่หนีไปแล้วแล้วก็รู้ทันให้รู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันงนี้มันจะมันจะรู้สึกตัวขึ้นได้แวบหนึ่งถ้าตึงๆแล้วหยุดก่อนเลยนะแสดงว่าทาผิดแล้วเลิกรู้สึกเอาใหม่ ก็อก็มันก็มีบางครั้งมันกักมากดบ้างแต่ว่าน้อยแล้ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้มันตื่นเต้นเออตอนนี้ใช้ไม่ได้เนาะครับหายใจได้ไหมหายใจแล้วรู้สึกได้ไหมได้ครับนะไปทําเรื่อยเรื่อยครับมีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นั่งกินอาหารกับเพื่อนแล้วมันก็ความรู้สึกก็คือว่ามันเหมือนตัวมันหายไปแต่ออกมาแล้วมันก็รู้สึกกลัวอืก็ความรู้สึกจิตรวมนะ จิตมันรวมลงไปแล้วโลกหายไปหมดเลยไหมมันสั้นมากครับแล้วนั่นแหละมันไม่ต้องนานหรอกมันแค่นั้นมันก็เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกแต่ว่าเหลือแต่ความรู้สึกตัวอันเดียวอยู่ใช่ไหมอย่างนั้นใช้ได้นะบางคนบางคนจิตรวมปุ๊บโลกหายไปจิตก็หายไปด้วยอันนี้ใช้ไม่ได้เลยเป็นปลมลูกฟักแต่แต่มันกลัวมันกลัวมันกลัวว่ามันจะป่วยหรืออะไรสักอย่างไม่ป่วยไม่ป่วยหรอกแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่นานมันก็ต้องหายไป บางทีมันรักนะมันรักร่างกายพอมันพบความจริงว่าร่างกายเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้อย่างแท้จริงน้ําที่กลัวเลยครับตอนตอนที่มันรู้สึกนี่มันเหมือนมันกระชากแรงๆความรู้สึกกระชากใจมันยังไม่ยอมครับถ้าใจมันยอมมันไม่กระชากนะมันเบิกบานมันจะแวกออกเลยสิ่งที่ห่อพุ้มจิตจให้เราแวกออกก็เลยแต่แต่มันก็มีความรู้สึกมันมันใกล้อะไรสักอย่างก็เออน่ามันใกล้นิพพานแต่ยังไม่ถึง มันเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เรานะมันยังไม่เห็นแจ้งว่าจิตไม่ใช่เราเวลาที่ปัญญาเกิดเกิดชั่วขณะเดียวไม่นานถ้าบอกแหมมีปัญญามาสามชั่วโมงแล้วของปลอมยิ่งคิดเอาเรองแล้วนั่นตรงที่จิตเกิดความรู้ความเข้าใจนี่เกิดในชั่วขณะเดียวเท่านั้นนั้นอริยามรรคเวลาเกิดเกิดขณะเดียวนะไม่มีสองขณะหรอกตัวนี้เป็นตัวปัญญาไม่ถึงอริยามรรคกราบหลงพ่อเจ้าค่ะ รู้สึกว่าใจมันไม่แช่มชื่นเจ้าค่ะแล้วก็เห็นแต่จะไหลไปคิดเหมือนคนฟุ้งซ่านอยู่ตลอดทำทำความสงบขึ้นมาบ้างนะทำความสงบไม่ค่อยได้จะคิดคถึงพระพุทธเจ้าได้ไหมหรือไปอ่านหนังสือธรรมะหลวงพ่อสมัยก่อนนะบางวันทำงานวุ่นวายมากขนาดชำนาญ น, นั่งสมาธินะแต่บางช่วงทำงานที่คิดมากๆเนี่ยนั่งสมาธิก็ไม่ลง หลวงพ่อไปอ่านพุทธประวัติบ้างอ่านประวัติภาษาวกบ้างนะอ่านประวัติภาษาวก k e บางองคนะโอหปีติเลยนะโอ้ท่านต่อสู้มาน่าอัศจรรย์อะไรเงี้ยจิตได้สมาธิขึ้นมาอีกจิตแช่มชื่นเบิกบานได้สมาธิขึ้นมา้ให้จิตมันได้พักอย่างเนี้ยให้มีความสุขขึ้นมาบ้างจิตมันแห้งแล้งมันเดินปัญญารวดเกินคือ พยายามคือระหว่างระหว่างวันนี่ก็คือพยายามรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกอะไรเยอะเลยเจ้าคะ่ะแต่ไปนี้พักนะไปอ่านพุทธประวัติอ่านประวัติภาษาวกสมัยพุทธกาลอะไรย่างเงี้ยอลองนั้นใชจจะได้พักบ้างเคยอ่านอันนี้นไหมสนุกอัตถกถาธรรมบทเราไปหาอ่านนะส น, สนุกสนะุกเลยแต่ว่าที่ลูกปฏิบัติอยู่ยังปฏิบัติถูกแต่ว่ามันเดินปัญญารวดไป จิตมันไม่ได้พักมันแห้งแรงเคยได้ยินคำว่าสุขาวิปัสสกะไหมนั่นแหละมันไปแบบนั้นะถ้าต้องการให้มันไม่แห้งแรงก็ทําความสงบเข้ามาเจ้าค่ะกลาวนมัสการหลวงพ่อครับมาเข้าคอร์สครั้งที่สามแล้วมไม่กล้าไม่กล้าขอกันบ้านเพิ่มเพราะว่าการบ้านข้อกเก่าๆยังทําให้สําเร็จสักที บางทีก็ต้องถามเหมือนกันนะว่าทำมาตั้งนานแล้วมันไม่สาเร็จนะจะทำยังไงดีเออบางทีก็ต้องถามเหมือนกันนะคือช่วงไปไปจมกับทางทางทา ง, ทางโลกมากแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าแบบเออมันยังถูกลากไปบ่อยๆฮะรู้ทันไว้นะครับจิตใจทุกวันนี้กับแต่ก่อนก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม เห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคลานเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กับจิตใจก็โคลานคือก็เห็นเห็นบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นชัดเหมือนคนอื่นเขาที่ว่าคนอื่นเขาก็เห็นไม่ชัดหรอกนะครับเขาก็ไม่ใช่พระอรหันต์เขาก็เห็นไม่ชัดหรอกแล้วเห็นเป็นคลาวลแล้วเวลาคือเวลาจะไปเพิ่มสมาธิฮะคิดว่าตัวเองแห้งแรงไปก็จะนั่งสมาธินะฮะเวลานั่งแล้วมันมันนั่งยากมันเหมือนกับมันเหมือนกับ ไม่รู้ตัวฮ ะ, ะคือไม่กระทั่งขาชาก็ไม่รู้เป็นเน็บก็ไม่รู้ไม่เราเพราะว่าจิตของเรามันฟุ้งนะอยู่ในโลกนี้ฟุ้งมากพอไปนั่งนะมันก็ไม่ตัดความรับรู้ไปมันเหมือนชัดดาวไปเลยครับใช่นั่นแหละเพราะว่าอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมครับให้มันพักได้นะเป็นการพักผ่อนแต่ต้องคิดต้องรู้ทันวันนี้เป็นแค่การพักอยู่ไม่ได้ทําสมถะพิปัสนาเลยให้พักไปได้พักแล้วไม่เห็นได้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาแล้วผมผมควรจะเสริมด้วยอะไรครับ คืสมาธิไม่พอครับเขาใจไม่แรงนั้นหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่คืออยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่ไปอย่างสบายๆอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุทโธนะจิตหนีไปแล้วรู้อยู่กับลมหายใจจิตหนีไปแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้แล้วซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆวันละหลายๆรอบรอบละห้านาทีอยรางนี้ขอบคุณครับนี่ยิ้มออกเลยวันละห้าครั้งละหานาทีกรรบนรมาจารย์หลวงพ่อกัน โอกาส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองในรอบสี่ปีสี่ปีที่แล้วมาเข้าคอร์สว่าส่งการบ้านหลวงพ่อว่าเริ่มรู้สึกตัวเป็นแล้วมามาต่อจากนั้นมาก็ฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามหลักในที่หลวงพ่อได้สอนในซีดีตลอดแล้วก็ใช้ธรรมะในซีดีอบรมจิตใจมาตลอด ทุกวันนี้ปฏิบัติโดยการเห็นความรู้สึกบางดีเป็นกายบางดีเป็นใจ mm hmm. ในระหว่างวั น, นก็ก็จะมีความรู้สึกกายใจที่มันเปลี่ยนแปลงไป mm hmm. ส่วนใหญ่จะทางด้านจิตนี่มันจะหนีไปคิดก็จะรู้สึกตัวอย่างนั้นไประหว่างวันกล mm hmm. างคืนก็ปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์แล้วก็ภาวนาทรรมสมาธิ ระหว่างสวดมนต์ทำสมาธิก็เห็นจิตหนีไปคิดตลอดอใหม่ๆก็สัญญาผุดสังขารเข้ามาจับเสริมไปอีกหลังๆนี้สังขารเกิดไม่ทันนะสัญญาดับไปก่อนสตีม เ, เร็วขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักกลางปีที่แล้วครับระหว่างสวดมนต์ก็เห็น เห็นปากมันขมุมบข ม, ขมิบุมุบขมิบเราสักพักหนึ่งจิตก็บน่นอะไรไม่ทราบแล้วก็บอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอแล้วความสุข ก, ก็โชยขึ้นมาจากกลางอกอสุขจนสุขจนพุ่นไม่ถูกครับมูมมู ม, มหนึ่งแล้วก็สุขจนแบบไม่เคยไม่เคยไม่เคยสัมผัสแบบนี้ ม, มันสว่างไหมไม่เห็นครับไม่เห็นแสง <He> ได้แ ต, แต่รู้สึกว่ามันสุกมากจน<ร>ไม่เอาอะไรเลยแล้วก็จิตถอนออกจากสมาธิแล้วมันเห็นจิตมันแบบออกไหมไม่เห็นครับอพอพอสุกมากแล้วก็จิตเขาก็บอกพอแล้วแล้วก็ออกจากสมาธิมามไม่ทราบ ว, ว่าอาการนี้มันอยากเรียนถามเป<ม> อ, อะไรครับีปัญญาสินะภานาไปแล้วจิตมันรวมเข้าไปนะมีปัญญาเกิดขึ้นไปทำอีกนะทำได้ดีอยู่อันนี้มันเป็นลักษณะของ สังขารมันแสดงตัวให้ดูเปล่าครับขันห้านะครับขันห้ามันแสดงตัวอย่างนี้ให้ดูเรือ่องใช่เป็นปัญญานะดีแล้วล่ะต้องไปดูอีกไม่ทราบต้องปฏิบัติเพิ่มเติมทําอย่างใ น, ในี้แหละทำอย่างนี้แหละนะแต่ว่าให้คอยรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนบ่อยๆไหนเพือสมาธิสมาธิยังไม่พอ คือยิ่งภาวนาละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยสมาธิต้องละเอียดถ้าสมาธิกำลังไม่พอเนี่ยจะเห็นสภาวะที่ละเอียดไม่ได้ไม่มีแรงพอแต่ของคุณภาวนามาได้ดีเช่ละแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นเราบ้างไหมยังมีความเป็นเราเหลืออยู่ไหยล่ะรู้สึกว่ามันเล็กลงครับอ๋อมันเล็กล ง, งมันน้อยลงเออนะใช้ได้นะตามันน้อยลงมาณะร้อยลงเออ ใครรู้อย่างนั้นแหละแล้วคอยสังเกตความเป็นตัวเราไวนะ้ถ้ามันขาดจริงๆมันจะไม่มีเราอีกแล้วภาวนานได้ดีนะขอบพระคุณหลวงพ่อน้ำสการข่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านรอบสี่เดือนค่ะปกติจะทำตามรูปแบบทุกวันแล้วก็ระหว่างวันก็จะท่องคำบริกรรม ห ล, หลังนี้รู้สึกว่ามันฟุ้งซ่นหรือไม่อย่างนั้นก็คือจะเพ่งไปเลยค่ะแล้วเวลารู้จะรู้สึกเหมือนรู้ที่ผิวๆแต่ก่อนเวลารู้จะรู้สึกโล่งๆขึ้นมาตอนนี้มันจะเหมือนเห็นแต่บอกว่าหงุดหงิดอยู่ตลอดเลยอะให้รู้ทันสินะค่ะจิตไม่เป็นกลางค่ะทําทอะไรผิดอยู่ด้วยหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกแต่มันอยากจะเร็วๆแเราจากจะขอถามเรื่องแยกรูปแยกนามนิดนึงค่ะปกติเนี่ยหนูจะเห็นเหมือนกับอาการของ อารมณ์เหมือนกับว่าสมมติมันไหลไปมันลงไปแช่อย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่เห็นตัวผู้ดูไม่ต้องจงใจดูมันนะค่ะคือตัวผู้ดูเนี่ยถ้าเราจงใจดูแล้วจะทำผิดเลยแก้ยากค่ะแค่รู้สึกว่าไอ้นั่นมันถูกดูอยู่นะคือก็เห็นอาการของมันเวลามันไหลไปมันเคลื่อนไปมันกระโจนออกไปอย่างงี้ยใช่ไหมเนี่จิตมันยังไม่ทวนมาเห็นตัวดูค่ะแต่เรวไปยุ่งกับมันค่ะมันแล้วทวนออกมันเอง แล้วทำยังไงถึงจะแยกรูปแยกนามได้ล่ะคะมันแยกแล้วแยกแล้วใช่ไหมคะมก็ดูอย่างนี้อย่างที่ดูต่อไปเรื่อยๆอต่อไปเราก็แยกแยกนามออกไปอีกเ<อ>ช่นมันหงุดหงิดขึ้นมา<อ>เห็นเลยความหงุดหงิดก็ครละอนกันนะความหงุดหงิดก็ถูกรู้อีกก็แยกเอาความหงุดหงิดออกไปอีกค่ะ อ, อรู้สึกดูไปสบายๆนะถึงวันที่มันขาดลงไปเนี่ยดูโลภามันจะกลวงเลยนะไม่มีตัวเราอีกต่อไปลนะนะ คลอในวัตส ก, การหลวงพ่อกับกระทรงการบ้านในรอบปีสองพห้าสี่ห้าปีนี้นะครับอภาพรวมปีนี้ที่สังเกต ด, ดูตัวเองนะครับก็เห็นว่าอากิเลสเห็นกิเลสได้มากขึ้นกิเลสที่ไหลเข้าไหลออกอแต่บางครั้งก็เป็นกลางบางครั้งก็ไหลไปตามกิเลสเออถูกต้องครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความกลัวต่อบาปมากขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ย เบาบางลง <Yeah. S 2> บางครั้งเรามองไปก็ไม่เจอแต่บางครั้งก็เจอว่ า, าเป็นตัว ต, วตนจริงๆไม่ได้เกิดตลอดเวลานะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันครับแต่บางครั้งก็โผล่ขึ้นมาเองครับเออดีสแสดงว่าไม่ใช่พระโสดาบันครับ <laughs> ถ้าเป็นพระโสดาบันจะไม่มีครับผม <laughs> จะขาดเลยครับสุดท้ายขอไม่ตายนหลวงพ่อถามว่า สิ่งใดที่ผมยังไม่รู้ครับและยังไม่ทําแล้วควรทำควรจะรู้นี่มีมีอะไรบ้างถ้ามีอริยรสัจนี่แหละยังไม่แจ้งอริยสัจ <c oughs> ถ้าแจ้งอริยสัจจะไม่ต้องเกิดแล้วล่ะครับทํา <ำ S 1> <c oughs> ของเราไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนนะครับทําไปเรื่อยๆถึงเวลามันสุกงอมมันก็เป็นของมันเองครับพระพุทธเจ้าเคยสอนในพระสูตรหนึ่งชื่ออจายิกสูตรท่านบอกว่าชาวนา มีกิจสามอย่างหนึ่งไปไถนาสองไปหวานข้าวสามไปดูแลเรื่องระดับน้ํนนาน้ําในนาน้อยไปก็เอาน้ํำข้าวน้ํามากไปก็เอาน้ําออกเมื่อถึงเวลาเนี่ยข้าวจะออกรวงของข้าวเองชาวนาไปสั่งให้ข้าวออกรวงไม่ได้พิษสูทั้งหลายก็มีกิจสามอย่างนะคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเมื่อทําได้แก่รอบแล้วเนีย อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งให้อริยมรรคเกิดได้แ ร, ร้วของคุณมันมีนะทำได้ดีอย่างคุณเวลาจะทําบาปมีความกลัวมีความละอายใจที่จะทําบาปมีความกลัวผลของการทําบาปนี่คือหิริโอตตะปะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเพราะมีสตินะรู้เท่าทันจิตใจอย่างนี้ก็เกิดฮิริโอตตะปะพรามีฮิริโอตตะปะก็มีศีล เมื่อมีศีลก็มีความสงบสุขรู้สึกไหมใจมีความสงบสุขได้สมาธิมานะพอใจมีความสงบสุขแล้วเห็นธาตุเห็นขันเขาทางานของเขาไปเรื่อยอยันที่คุณเห็นอยู่เนี้นี่คือการเจริญปัญญาเมื่อปัญญาแก่รอบแล้ววิมุตต์ก็จะเกิดขึ้นครับทําได้ดีนะครับยังหลงอยู่อีกคนหนึ่งวันนี้โยมพาวนานได้ดีๆเยอะเลยนะขับนรมัตการหลวงพ่อครับ ผมครั้งแรกครับอืเพิ่งเจอหลวงพ่อครั้งแรกครับเนาะเหมือนกันเลยหลวงพ่อก็เพิ่งเจอคุณครั้งแรกเนี่ยอยากถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ลมหายใจอยู่ผมอยู่ปลายสัมปลายโมจิตอยู่ที่ฐานอืหนักอยู่ที่ฐานอืมผมต้องทําอะไรต่อครับหายใจนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตไลยไม่คอยบังคับว่าจิตจะต้องอยู่ที่จมูกนะะ แ, แค่ว่าหายใจจิตหนีไปเรารู้จิตนี้ไปเรารู้ ต่อไปก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเพระจิตมันมีกําลังแล้วนะเห็นร่างกายหายใจจิตเราเปแค่คนดูอยู่กล้กับใจใ น, นี่คนละอันกันต่อไปมีความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกายก็เห็นอีกความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจมันปวดมันเมื่อยมากๆจิตใจอาจจะทุรนทุรายขึ้นมาอยากเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยก็เห็นความอยากที่เกิดขึ้นความอยากไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความปวดเมื่อยไม่ใช่จิตอีกนะ ค่อยๆยแยกแยกแยกไปเรื่อยอย่างจิตเนี่ยสังเกตดูจิตเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็รู้สึกตัวนี้ดูออกไหมมันไม่ได้รู้สึกอยู่ตลอดหนีไปคิดบ้างรู้สึกบ้างอันนี้ถูกต้องแล้วถ้ารู้สึกอยู่ตลอดเวลาอันนั้นติดสมถะแล้วให้มันเผลอบ้างรู้บ้างนะถึงวันหนึ่งเราจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตเผลอก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นถึงจะดี ปล่อยไปตามสภาวะใช่ไหมครับให้เป็นสภาวะเป็นอย่างที่มันเป็นอะเพียงแต่เรามีสติรู้เท่านั้นให้รู้ว่าเจ็บให้รู้ว่าคิดเออใช่ให้รู้นะตลอดนะครับออทําไม่ตลอดหรอกเดี๋ยวก็เผลอ <c oughs> นะแล้วทําเท่าที่ทําได้ <c oughs> ถ้าตลอดจะกลายเป็นหลักจ้องไว้ <c oughs> อันนั้นทําผิดละไปจ้องตลอดเวลาผิดนะใ<ล>จใ<ะ>จะจะเครียดเครียดอาจารย์ที่ที่ฐานแน่นแน่นฐานนั่งแล้วอยู่ที่ฐานแน่นเลย คืออะไรขึ้นครับอันนี้เป็นผลของสมาธิเพ่งแรงไปแรงไปไครับใช่ต้องเพาะต้องครายไหครับคลายหายใจลึกๆหายใจยาวๆพ่นลมหายใจอ่าครับเนืให้ให้จิตกับกายมันสบายเออต้องสบายนะอย่าให้แน่นนะหลวงพ่อเมื่อก่อนนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนภาวนานแล้วมันตัวแข็งนะตัวแน่นบางทีตัวใหญ่ด้วยนะแน่นปึ๊กเลยอย่าง ก, ก้อนหินนี่ละมั่งศีน ศีลแปลว่าศีลานี่เหมือนก้อนหินแล้วโอ้ถูกหลอกแหลกลานเลยกิเลสมันหลอกจริงๆต้องกายกับใจสบายใช่ไหมครับสบายสิตัวเบาจิตเบากายบ้างว่ากายละหูตาจิตละหูตานกายเบาใจเบาเอาหมดแล้วนะ